บทนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจงอบน้อนมนมัสการ พระภูมิพระภาคอาระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นสีนทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามสภาสังวรสูตรเกเรยว่าด้วยการสำรวมระมัดระวังป้องกัน และอาสวะทั้งหลายทั้งหมดนำสติปัฏฐานในพระสูตรนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน ให้ปฏิบัติละอาสวะกิเลสที่ดองจิตสัาสารทั้งหลายด้วยวิธีทัศนะคือใช้ปัญญาที่จรณาให้รู้ให้เห็น ใช้วิธีสังวรสำรวมระวังป้องกันอินทรีย์หกอันเรียกว่าอินทรีย์สังวรใชยวิธีบริโภคเศษปัจจัยทั้งสี่ใช้วิธี ยับยังไว้อยู่รับไว้อยู่คือใช้ขันติความอดทนอดกลั้นจึงได้แสดงแล้วต่อจากนี้ได้ตรัสอนให้ใช้วิธี งดเว้นในวิธีนี้ได้สั่งสอนให้ครูปฏิบัติธรรมะเพื่อละอาสวะอิเลสที่นองจิตสัมดาลทั้งหลายละเว้นทางไร้ มา้ายโหรายโหดุสุนทร้ายสุนทดุงงดเว้นงูงดเว้นที่ที่มีตอเป็นอันตรายที่ที่มีขวากนาำ เป็นอันตรายเว้นบ่อเว้นเหวลึกอันตรายเว้นที่น้ำคลาเว้นที่สกรปรกทั้งหลายและสะพมจารีคือผู้ประพฤติทำร่วมกัน ซึ่งเป็นวินยูคือเป็นภูรูกำหนดลงในที่อันใดว่าเป็นที่ลามกต่ำสามและกำหนด ว่าคู่ที่นั่งในที่ไม่ควรนั่งเช่นใดไปในที่ที่ไม่ควรไปเช่นใดพบคนเช่นใดอันเรียกว่าป่าเป็นมิตรคือมิตชั่ว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 ก็จะเห็นได้ชัดว่าสัตบุคคลสถานที่ทั้งองค์ติดตัดสอนให้งดเว้นเช่นนั้นควรงดเว้นจริงๆเพราะเมื่อไป สู่สถานที่เช่นนั้นพบกับบุคคลที่เป็นปาประมิตร์เช่นนั้นหรือแม้ว่านั่งในที่ที่ไม่ควรนั่งเป็นต้นดังที่ตรัสสอนให้งดเว้นนั้นย่อมจะ เกิดอันตรายได้ย่อมจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่างๆได้ย่อมจะถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้และจะทำให้เกิดความกังวลห่วงใหญ่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 และการไปในที่ทนั่นที่มีสัตว์ร้ายต่างๆหรือแม้ว่าไปใน ส, สถานที่ที่มีหลักตอขวากําบอ่อเหวที่ที่สกปรก ย่อมไม่เป็นสปายะในการที่จะปฏิบัติธรรมใดอย่างไรจะเกิดอันตรายและเมื่อไปนั่งในที่ที่มีคนนั่งก็เป็นความไม่เหมาะสม และจะเกิดความยุ่งยากไปในที่ไม่ควรไปก็เช่นเดียวกันยิ่งไปพบปาประมิตรมิตรที่ชั่วที่ผิดก็ยิ่งจะถูกชักนำไปในทางที่ชั่วที่ผิดหรือถูกกล่าวหาว่าครบคุชั่วเป็นมิตรต้องถูกระแวงสงสัย ด้วยฉะนั้นจึงไม่เป็นสัพพายะแกผูปฏิบัติเพื่อละอาสวะทั้งหลายเมื่อมุ่งปฏิบัติเพื่อละอาสวะเมือกล่าวรวมๆ ว, ว่ามุ่งปฏิบัติธรรมเ็นจำเป็นที่จะต้องละ บุคคลสถานที่เป็นต้นอันไม่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ยินรีในเสนาสนะป่าให้เสษที่นั่งที่นอนอันสงบสงัดให้พอใจใน คือที่อันสงบสงัดก็จะต้องหมายความว่าสงบสงัดปราศจากสัพไ ร, รต่างๆที่จะทำอันตรายได้และต้องเป็นที่ที่ไม่มี วักน้ำหลักตอ่อที่จะเป็นอันตรายไม่มีบ่มีเหลที่จะเป็นอันตรายได้ง่ายแหละไม่เป็นที่ประกอบเป็นน้ำคลัมเหม็นครุ้งไปหรือไม่เป็นสถานที่สผลปลก ต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดประกอบด้วยอากาศที่บริรสุทธิ์บระยาจากกลิ่นที่สกบ ป, ปลกทั้งหลายทั้งต้องเป็นที่นั่งที่นอนอันควรนั่งควรนอน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 เป็นดังที่ปรากฏว่ามีพระภิกษุสมณีผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งแต่จะไปปฏิบัติในเสนาสนะป่าเมื่อเดินเข้าไปในเสนาสนะป่ามีชาวบ้านห้ามบอเป็นทินอันตรายก็ยังเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าต้องไปเป็นอันตรายจริงๆก็มีเป็นตัวอย่างอยู่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 เงินมิตรที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันมันเป็นดังนี้แล้วจึงจะมีสัพปายะคือมีความผาสุกสบายทําให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งเรื่องเมื่อมุ่งที่จะปฏิบัติธรรมะหรือกล่าวในที่นี้ว่าปฏิบัติเพื่อละอาสวะ ก็จะต้องปฏิบัติงดเว้นในสัตว์บุคคลสถานที่ที่พึงงดเว้นดังที่ตรัสสอนเอาไว้และต่อจากนี้พระบรมศา ส, สดาได้ตรัสสอนคาสวะโดยวิธีที่เรียกว่าบรรเทา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 ไม่รับเอาไว้ในจิตใจหากอกุศลวิตกทั้งหลายบังเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติบรรเทาระงับนับให้หายไปให้สิ้นไปให้หมดไป ไม่รับรักษาเอาไว้ในจิตอันอกุศลโมบิตกคือความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนั่นก็ได้แก่กามโมวิตกความตึกนึกคิดไปในกามพยาบาทบิตกความตึกนึกคิดไป ในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความสึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนกามวิตกนั่นคำว่ากามเป็นเลสแปลว่าความใคร่ หมายรวมถึงกิเลสที่เป็นไปในทางเดียวกันนี้เป็นต้นวราคะความติดใจรักใครยินดีปัญหาความดินรนทยานอยากไปในทางกรรม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 เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สาบรถที่ลิ้นได้สาบสิ่งถูกต้องสี่กายได้ถูกต้องตลอดจนถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรส พทภะคือสิ่งที่กายถูกต้องเหล่านี้ที่บังเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นในจิตใจก็วรวมเรียกว่าวัตถุกรกรมพัสดุที่น่ารับใครปรารถนาพอใจทั้งพัสดุกรรมนี้เป็นพัสดุกรรมขึ้น ก็โดยอำนาจของกิเลสกรรมกิเลสกรรมนั้นเมื่อบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดจะเป็นรูปก็ตามเสียงเป็นรสพดก็ตามวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกรรมขึ้นมาเมื่อกิเลสกรรมไม่บังเกิดขึ้น วัตถุทั้งพวง ก, ก็เป็นวัตถุอยู่เฉยๆ เ, เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลสับผะอยู่เฉยๆไม่เป็นวัตถุกลางยกตัวอย่างดังเช่นสามัญญชนหรือบุตุชนทั้งหลายเมื่อ ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้สัมผินได้สับรถได้สภภัมปตพพะอันใดอันหนึ่งก็เกิดกิเลสกามขึ้นในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัตถุกรมขึ้นมาส่วนพระอระหันต์ทั้งหลาย เพ่งเป็นภูละอาสวะกิเลสได้สิ้นแล้วท่านเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สราบกลี่ยนท ร, ราบรสทราบผลพะอะไรก็ไม่เกิดความรักใครยินดีปรารถนาต้องการกิเลสกรรมขึ้นในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นวัตถุ ก, การมของท่าน แต่เป็นวัตถุเฉยๆ ค, คือเป็นรูปเป็นเสียงเป็นสิ่เป็นรสเป็นผลิตั ท, ที่ท่านในเห็นท่านในยินท่านในทราบทางอายะตะนะผู้ปฏิบัติธรรม ท, ที่ปฏิบัติระงับจิตใจของตนได้โดยอำนาจของศสีลสมาธิปัญญาเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ทราบอะไร อ้างอ้าตนะก็ไม่เกิดกิเลสกรรมขึ้นในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นวัตถุกรรมของผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นวัตถุที่จะเป็นวัตถุกรรมขึ้นก็โดยอํานาจของกิเลสกรรม แ, และกิเลสกรรมที่บังเกิดขึ้นใน จิตใจของบุคคลเป็นกิเลสกองราคะกิเลสกองกามตัณหาก็ตามอันรวมเข้าในกิเลสกองกามนี้มันเกิดขึ้นได้ก็โดยอำนาจของความดําริความตรึกนึกคิดนี้เอง เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าสังกัปปาราโกปุริสักาโมที่แปลว่าราคะคือความติดใจ ย, ยินดีขึ้นจากสังกัปปะความดรุริเป็นกามของบุคคลหลังนี้เพราะฉะนั้น สังกัปปะคือความดำริหรือวิตกคือความสึกนึกคิดซึ่งในที่นี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญนำให้มังเกิดกามขึ้นได้และเมื่อมังเกิดเป็นกามขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ากามมวาิตก แปล ว, ว่าความลึกนึกคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสกรรมก็ได้ความลึกนึกคิดไปในวัตถุกรรมคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลปร ภ, ภัตที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายก็ได้ เพราะฉะนั้นความดำรินี้จึงเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าวิจกคือความฝึกนึกคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งคนเรานี้เองเป็นถูปรุงขึ้นเพราะฉะนั้น จึงรวมเข้าในขันท่าข้อสี่ที่เรียกว่าสังขารที่แปลว่าความปรุงคิดหรือความคิดปรงุงก็คือจิตนี้เองนำเอาสิ่งที่จำได้อันเรียกว่าสัญญา มันเป็นขันข้อที่สามมาปรุงคิดหรือมาคิดปรงุงเพราะฉะนั้นในคำมาสังขารที่แปลว่าความปรุงคิดหรือความคิดปรุงนี้จึงประกอบขึ้นด้วยจิตประกอบขึ้นด้วย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 เป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้มาปรุงกันเข้าไปจนกระทั่งเรียกว่าสังขารในขันห้าซึ่งเป็นขันข้อที่สี่ความปรุงคิดหรือความคิดปรงุงอันนี้แหละคือวิตกความฝึกเมื่อคิดหรือสังกับปากความดมฤ ก็คือความคิดปรงหรือความปรงคิดนี้เองเมื่อปรงคิดขึ้นให้เป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นได้เมื่อปรุงคิดขึ้นให้เป็นกลารกลารก็บังเกิดขึ้นคือตัวราคะความติดใจยินดี จึงเป็นลักษณะของกามที่แปลว่าความใกล้ความปรารถนาและยังเตือด้วยความเพลิดเพลินยินดีชุ่มชื่นอยู่ในราคะหรือในกามเหล่านี้อันชวนให้จิตใจ คิดปรงนึกปรงคิดไปและความคิดปรงนึกปรงคิดไปนี้ก็บังเกิดขึ้นซับซ้อนกันอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากามาคุณคำว่าคุณนั้น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 และมีความเพลิดเพลินมีความยินดีติดใจก็คิดเรื่อยไปไม่จบเหมือนอย่างกลุ่มได้ที่เป็นกลุ่มเมื่อคลีได้ออกไปก็ยาวออกไปยาวออกไปยาวออกไปสุดแต่ว่าได้ที่มาม้นเป็นกลุ่มนั้นจะมีขนาดยาวสักเท่าไหร่ การมาคุณก็เหมือนกันไม่รู้ว่าซับซ้อนจะอยู่นานหรือมากเท่าไร่ในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อลองกลงคิดคิดไปในกามแล้วและแถมมีความยินดีเพลิดเพลินก็ไปกันใหญ่เพลิดเพลินกันไปคิดไปไม่รู้จะจบ จ, บจากสิ้นเพราะฉะนั้น กามาคุณคือกลุ่มของกามเหมือนอย่างกลุ่มได้คือกามที่ผูกมัดมจิตใจของจัตตวโลกอยู่นี้จึงมีกำลังมากยิ่งนักหนาจนถึงกับพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทียบเอาไว้ว่าเป็นอะไร คือเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นกามาพจรคืออย่างลงในกามท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลายเหมือนอย่างน้มเป็นที่อาศัยของปลาปลาอยู่ในน้มจิตที่เป็นกามาพจร์ของสัตว์บุคคลทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เหมือนอย่างอาศัยอยู่ในกรามคือกามคุณอันนี้แล่ก็เรียกให้เต้นที่ว่าเมนจพิธากามคุณกามคุณมีอย่างห้าก็ได้แกร่รูปเสียงกลิ่นรสผลตับพะคือสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะฉะนั้นพื้นของจิตจิตเป็นกามมาพจรจึง ตรงคิดหรือคิดตรงไปในทางกามยุดยาวมากมายอยู่เป็นปกติและเมื่อพูดออกมาก็พูดออกมาในทางกามกันอยู่เป็นอันมากเพราะว่าวาจาที่พูดออกมานั้นก็วิตกวิจารความฝึกนึกคิดนี้เอง เป็นเครื่องปรุงให้พูดเพราะฉะนั้นวิตกวิจารณพระพุทธเจ้าถึงการแสดงว่าเป็นวจีสังขารคือเป็นเครื่องปรุงวาจาเพระวาจาที่พูดออกมานั่นจะต้องคิดก่อนแล้วจึอองพูดเมื่อคิดอย่างใดก็ย่พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้น การพูดจาของบุคคลจริงเป็นไปในทางกลางเป็นอันมากตลอดจนถึงการแสดงต่างๆก็เป็นไปในทางกลางเป็นอันมากเชื่อไปด้วยราคะบ้างโสดะบ้างโมหะกิเลสทั้งสามกองนี้ดังจะพึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่ามหหสพทั้งหลาย ก็จะต้องเจือด้วยกิเลสสามกองนี้จึงจะเป็นที่สนุกสนานเป็นที่ชอบดูเมื่อการแสดงสามารถดั้วเย้าใจของบุคคลดูให้เกิดราคะบั้งโทสะบั้งโมหะบัางได้มากเท่าใด <c oughs> ก็เป็นที่จิบปิดใจของคนดูมากเท่านั้นทำให้ตาตื่นใจตื่น ไม่ง่วงเหงาเขานอนดูกันได้เป็นเวลานานๆเพราะว่ามีเชื่อล่อให้เกิดราคะาบางังโทสะบงังโมหะาบางังคอยทำใจให้เกิดเพินยินดีให้ติดกันอยู่เป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นเห็นได้ว่าเมื่อมาฟังเทศฟังอบรมธรรมะซึ่ง เป็นไปเพื่อสงบราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตใจของผููฟังจึงไม่ได้เชื่อที่จะก่อให้เกิดตาสว่างทำให้เกิดความสงบและเมื่อมีความสงบอยู่เฉยๆปราเจาจักปสติสุขในความสงบนั้นก็เลยง่วงเงาหาวานอนหลับ การที่ฟังเทศหลับรือฟังธรรมบรรยายหลักก็เพราะเหตุนี้เพราะเหตุวันในเทศหรือในธรรมบรรยายทั้งปวงนั้นเป็นไปเพื่อสงบราคะโทสะโมหะไม่ใช่เป็นไปเพื่อก่อเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่สนุกไม่เพลิดและเมื่อสงบเข้าความง่วงซึ่งอยู่ใกล้กับความสงบก็เข้ามาทันทีเราะฉะนั้น เรื่องของตามนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกว่าให้คอยระ ง, งับสังกัปปะคือความดำ ร, มริหรือวิตกคือความฝึกนอคิดไปในทางกามซึ่งจัตตวโลกทั้งหลายซึ่งมีจิตอยู่ในชั้นที่เป็นกามาวจรจิต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 ดับเสียและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อละอาสวัตและจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาอันหนึ่งความดำ ร, ร, ดดริหรือความปรุงคิดคิดปรุงหรือความฝึกนึกคิดดังกล่าวมา น, นี้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 ที่แรงขึ้นจนถึงก็เป็นความบรรทุกสร้ยแต่ก็ยังประทุกสร้อยใจของตัวเองคือยังไม่คิดหมายล้างผลานออกไปข้างนอกแต่เมื่อโทสศนพท์ที่แรงขึ้นจนคิดจนถึงคิดล้งลางผลันออกไปข้างนอกคิดที่จะตีเขาจะทำร้ายชีวิตร่างกายเขาเป็นตน้นให้เขาจิตหายวายวอดไป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 ในครนี้เมื่อบังเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติบรรเทาดับระ ง, งับให้สิ้นไปไม่รักษาไว้ในจิตวิหิงสาวิตกก็เหมือนกันก็เกิดจากความําริความ นึกคิดโปร่งไปเพื่อวิหิงสาคือความเบียดเบียนวิหิงสาคือความเบียดเบียนนี่มีอธิบายต่างจากพยาบาทว่าเกิดจากโมหะคือความหลงมีความหลงเป็นมูลเป็นว่าเบียดเบียนเพื่อมุ่งสนุก เช่นการทำไร่สัต์ถือว่าเป็นการกีฬาเป็นการเบียดเบียนเพื่อความสนุกหรือว่าเบียดเบียนด้วยอำนาจโลภเช่นว่าจ้างคนงานมาและบังคับใช้คนงานเตินไปทั้งกลางวันกลางคืนเป็นต้นดังที่ปรากฏอยู่ ในที่บางแห่งในบา ง, งบางกลางบางคราวเป็นการทรมานผู้อื่นด้วยอำนาจของโลภะมุ่งที่จะให้ทำงานให้มากๆด้ทรัพย์มากการเสีจากความเมตตากรุณาก็เป็นการเบียดเบียนหรือว่าการที่จะกระทำอันใดอันหนึ่งก็ตาม แม้ว่ามุ่งดีแต่ว่าเป็นการกระทำที่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นการกระทำไปแม้วยอำนาจความเขาหรือมุ่งดีดังกล่าวนั้นก็เป็นวิหิงสาเหมือนกันดฉะนั้นวิหิงสาคือความเบียดเบียนนี้จึงเกิดจากโมหะคือความหลง ฉะนั้นการที่จะคิดปรุงหรือปรุงคิดอะไรก็ต้องไม่เห็ุเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนจะเป็นบุตรหลานของตนเองก็ตามจะเป็นบริวารของตนเองก็ตามจะเป็นผู้รับใช้ของตนเองก็ตาม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 กะเป็นการสนุกรวมเข้าในวีหิงสาวิตกเท่นั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังวิตกข้อ น, นี้เมื่อมังเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติบันเทาระงับดับให้หายไปอย่ารับเอาไว้ในใจอภิสณวิตกทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของสัตว์บุคคล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 มีวิหิงสาหรือมีโมหะเป็นเหตุก็ทำให้ได้ให้บังเกิดขึ้นในข้อวิหิงสาด้วยในข้ออื่นอีกด้วยในข้อโทษสาก็ถึงเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยระงับจิตใจของตัวเองอยู่เสมอไม่รับเอาความนิริตหรือความปรึกมืดคิดเช่นนี้ไว้ สมไว้ในใจของตัวเองต้องระ บ, บายออกไปบรรเทาออกไประงับหนับให้หัดเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติเพื่อละอาสวะกิเลกที่ดองสันดาน